ลงไปบ้านคนอื่นเรื่อยๆลงเข้าบ้านโน้อนออกบ้านนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งหยุดการสแสวงหาแล้วใจเข้าถึงทำแท้ๆนะปล่อยวางความยึดถือจิตลงไปได้มันมีความรู้สึกเหมือนกลับบ้านได้ละการเดินทางระเหยเร่อยร่อนในสังสารวัฏนี้ยสิ้นสุดลงละงานที่ต้องทําทําเสร็จหมดละงานที่จะต้องทําอย่างนี้อีกนะเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีอีกละ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 แล้วก็ดูต่อไปให้ถึงที่สุดนะที่ว่าเรารักกายนะก็รักไม่จริงเท่าไหร่สุดท้ายน่ารักจิตใจตัวเองเวลาเจ็บหนักรู้สึกไหมเคยเห็นไหมคนเจ็บหนักแต่เดิมห่วงร่างกายนะแ้วเจ็บหนักนะไม่ค่อยรักกายแล้วไม่ค่อยจะรักกายแล้วเมื่อไหร่มันจะตายจะได้ก็ดีนะพ้นทุกคนร้อนตายตายพนทุกขนร้อนไปเไม่รักกายคิดว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วจิตใจจะได้มีความสุขสทีสสสไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน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 จิตใจจะดิ้นรนไปอย่างความรักเกิดขึ้นใช่ไหมใจเราจะดิ้นรนอยากไปหาคนที่เรารักสมัยวัยรุ่นโรแมนติกมากใช่ไหมสมัยโบราณไม่มีนะ อ, อะไรนะเขาเรียกอะไร SMS อะไร ไ, ไม่มีนะไม่มีสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยไม่เห็นหน้านะเห็นลังคาบ้านก็ยังดีใช่ไหมถ้าเดี๋ยวนี้ก็ส่งแมสเสจกันใช่ไหม